ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีชาดกแผ่นที่สิบมีคติธรรมหัวข้อว่าคาลิตันจะจะคาหะเย ไม่ควรยึดถือในความผิดพลาดชาดกแผ่นที่สิบนี้ก็เป็นชาดกที่พวกเราควรจะฟังและศึกษาเพราะว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระไตรปิฎกเป็นส่วนมากที่หลวงพ่อได้หยิบยกมาสาธกสาธกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แต่ว่าในชาดกก็เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะศึกษาเพราะเป็นแนวทางสำหรับเป็นหนทางสำหรับปฏิบัติสู่มรรคผลของพวกเราเหมือนกันและก็เป็นตัวอย่างว่าไม่ควรจะทำสิ่งที่มันไม่ดีหรือควรจะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอันนี้คือ ที่พ ร, พระองค์ได้เปรียบเทียบได้ยกตัวอย่างให้พระสงฆ์หรือพุทธบริษัทสีในครั้งพุทธกาลให้ได้ยินได้ฟังแต่ถึงยังไงก็ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีนี้แปลความหมายว่าไม่ควรยึดถือในความผิดพลาดคาว่าผิดพลาดคานี้น่ะถ้าว่าเขาผิดพลาดโดยไม่เจตนา เราก็ควรให้อภัยถ้าผิดพลาดด้วยความจงใจและตั้งใจอันนั้นเราก็ต้องนํามาคิดมาพิจารณาดูก่อนว่าเขามีสติสมบูรณ์ไหมเขาทําไปเพราะอะไรในความโมโหหรือว่าด้วยความอะไรถ้าว่าผิดพลาดบ่อยก็แสดงว่าเป็นการจงใจอันนี้ก็เราก็ควรจะห่างถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ควรจะห่างเหิน ไม่ควรจะคบค้าสมาคมตามชาดกที่ท่านเดบตรัสได้พูดไว้นะด้วยอำนาจคุณพร ะ, ะศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทอญ